มีในธรรมบุตรเห็นนด้อย่างชาัดเจนเหนือความเกาะความโหนายมันเหมือนกับสัตว์อยู่ปากคอกเึ้นวัวเป็นต้นไม่สำคัญว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนอยู่ปากคอกส่วนนั้นออกเกาะจิตใจขนาดใดที่จะออกก่อนได้จะเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายสูงไม่สำคัญ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 คือพยานอย่างทราบเหตุการณ์ทั้งหลายทราบก็อย่างแน่นอนขอกเราไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันยังทราบเป็นเรื่องหลอกตัวเองย่างทราบดังนั้นอย่างทราบดังนีนงนน้หลอกตัวเองแบบนั้นหลอกตัวเองแบบนี้นอยู่วันยังคำ่ำคืนงรุ่งก็ยังไม่เห็นโทษในความหลอกลวงตัวเองนั่ง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 พระอวาทคำต่องสอนคำพุทธเจ้าที่แสดงออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจริงเมื่อได้คิดลงโดยทางเหตุผลแล้วอย่างนี้กำลังทางหน้าจิตใจ ก, ก็เพิ่มขึ้นมาศรัทธาก็เพิ่มวิริยะก็เพิ่มสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับเพราะหน้าถึงความเพี่ยนเป็นเครื่องสนับส น, นุนหนีเราเชื่อตัวเองเราก็เชื่อไม่ได้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 อวัยวะส่วนต่างๆซึ่งมีความเสมอกันมีความเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันแทงทะลุุู่ผงไปหมดหายสงสัยปล่อยวางได้ตามความจริงเบาวิวเลยการพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นเหนี่ยตัวจริงตำหนักตำนาท่านสอนไว้มากน้อยเพียงใดกีคำพีสอนเข้ามาหาตัวจริงนี้ทางหนเห็นสมาธิอะไรเป็นสมาธิ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 จิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความเบริสุดคิดหายไปไหนความเบริสุดแล้วลองค้นหาดูที่ป่าช่างความเบริสุดป่าช่างจิตนี้มันไม่มีให้ตากยยิ่งชำระสิ่งที่จอมปลอมให้พายไปรที่ยวเกิดนั่นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดนี่แหละถนอดทำประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้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 หลงกับหลงอันนี้พิจารณานี้ดูแล้วกับลูกกรรมาฐานถอดถอนกรรมฐานถอดถอนพบถอดถอนธาตุหรือว่าตังสารเลือดที่ตรงนี้รวงก็ไปก็ไปเรือดที่จิตใจก็หมดปัญหาที่ตรงนั้นนั่นแหละกรรมฐานสมบูรณ์แล้วฤติตังปรมจาริยังเสร็จคือพรหมจาร์าได้อยู่จบแล้ว <c ười> จบที่ตรงนี้จบทุกสิ่งทุกอย่าง